เวลาอ่านเรื่องพระอนตนลก็ชอบคิดไปถึงสุปกิจก็ <c oughs> แบบเดียวกันเลยนะคือพระอ น, น์เนี่เป็นพุทธอุปถากที่พุทธเจ้าสันเสริญเลยนะครับในวันที่ท่านปรงอายุสังขารคือท่านก็พูดเป็นในมาทั้งหมดสิบหกครั้ง แต่พระนนท์ด้วยความที่เป็นห่วงในอาการของพระพุทธเจ้าจึงไม่ทันได้คล้ายๆจิตไม่ได้ไปเกาะที่คำพูดของพระุทธเจ้าใจลอยว่าเป็นห่วงท่านท่านก็พูดทั้งหมดสิบหกครั้งว่าท่านจะละไปแต่พระนนท์ไม่คลิกเลยตอนนั้นจนกระทั่งถึงจุดที่ในเมื่อไม่มีคนอาราธนาให้อยู่ท่านก็จึง ปรงอายุสังขารเลยรับปากกับมารว่าพอล้วพระศาสนาได้ตั้งมั่นแล้วท่านก็จึงโปรงอายุสังขารจากนั้นพระนนท์มารู้ทีหลังพระเจ้าพูดให้ฟังว่าเราบอกเธอทั้งหมดสิบหกครั้งที่นั่นที่นี่ที่โน่นบอกมหมพลเลยพระนนท์ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยทีนี้เธอไม่ได้ทูลขอหรือว่าอารัธนาเอาไว้ถ้าเธอทูลขอในวันนั้นสักครั้งหนึ่งเราจะอยู่ต่ออีกสี่สิบปี โดยอาศัยอิทธิบาทสี่แต่ในเมื่อเห็นว่าพระศาสนาก็เป็นไปตามที่จเจริญรุ่งเรืองพอแล้วเราจึงปรงอายุสังขารพระนนก็ร้องไห้นะครับร้องไห้มากๆเลยเพราะท่านตอนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันพระเจ้าก็ให้คนไปเรียกพระนนมาแล้วก็เทศให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่อง เกิดแก่เจ็บตายความเป็นธรรมดาแบบนี้นะสังขารร่างกายแล้วก็บอกอ น, อนนท์เธอเป็นพุทธอุปถากที่ดีมากนะครับตั้งแต่อดีตอันยาวไกลนะครับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมีอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายแล้วก็ผูทธอุปถาคทุกองค์เธอเป็นพุทธอุปถากที่ดีที่สุดตั้งแต่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากอดีตการนานไกล และเธอยังคงเป็นพุทธอุปถาคที่ดีที่สุดในอนาคตอันยาวไกลข้างหน้าไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอีกกี่พระองค์ก็ตามแสดงว่าจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นองค์ที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัสรู้ในโลกในจักรวาล น, นี้พระอนนท์คือเดอะเบสเป็นที่สุดของพุทธอุปถาคของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดพระอนนท์คือพระพุทธอุปถาที่ดีที่สุดดูแลทุกอย่างทุกกระเบียด ในการทําของพระเจ้าในการนัดหมายจัดเครื่องถูฟันทุกอย่างนัดแล้วก็ฟังคําของพระเจ้าทุกคํามีการถวายจีวรมาให้พระนนพระนนตกลงพระเจ้าแล้วจะต้องถวายกลับไปแล้วก็ห้ามพระพุทธเจ้าห้ามพระพุทธเจ้าเอาจีวรดีๆมาให้อะไรอย่างเงี้ยมีการขอแปดข้อก่อนที่จะเข้ามาเป็นพุทธอุปถาซึ่งท่านก็ทําหน้าที่ของท่านได้อย่างเยีเยเ่ยมยอดนะครับแต่ในวันอ วันที่พระศาสดาจากไปถ้าใครได้ฟังผมมักจะเปิดแล้วก็จะบอกผู้หญิงนะครับว่าหากจะมีอสิติมหาสาวกสักองค์หนึ่งที่เป็นพระอารหันต์ในดวงใจใสำหรับผู้หญิงทั้งหลาย ต้องพระอานนท์สำหรับผู้หญิงท่านต่อสู้เพื่อผู้หญิงมาเนี่ยจนกระทั่งเดี๋ยวผมจะให้ท่านฟังก่อนกำลังมองหาอยนูะ่นั่งสมาธิไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมนึกก่อนว่าอยู่ตรงไหนวันนี้วันสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรรีบแล้วสั่งสมไว้ก่อน พุทธะอนุชาประสบปีติปลาโมดอย่างใหญ่หลวงความรู้สึกปรากดแก่ใจท่านว่าความเกิดสิ้งแล้วพรมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิดอื่นที่จะต้องทำในทํามนองเดียวกันนี้ไม่มีอีกแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปพบทั้งสามคือการมาพบรูปประพบและอรูปภระพบได้ปรากฏแก่ท่านภูบลุแล้วซึ่งอริยภูมิ ปรหนึ่งมีเพลิงโหอมอยู่ทั่วได้ย่ำยีความเมาทั้งปวงแล้วได้นําความกระหายทั้งมวลออกไปแล้วได้ถอนอะไรในกาเมคุณอันเป็นที่อะไรยยินดีอย่างยิ่งของมวลสัตว์ได้แล้วตัดวัฏตะอันทําให้หมุนเวียนมาเป็นเวลานานได้แล้วตัณหาความดิ้นรนร่านใจได้หมดสิ้นไปแล้วคลายความกําหนัดได้แล้วดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ทั้งปวงได้แล้ว ถึงแล้วซึ่งความเยือกเย็นอย่างยิ่งดวงจิตซึ่งเคยรอบร้อนดิ้นรนบัดนี้ได้อาบแล้วซึ่งทาโมทกอย่างเต็มที่ประหนึ่งหิมะละลายลงสู่ศิลาแท่งทึบซึ่งเคยถูกแดดเผามาเป็นเวลานานโอ้ภาวะแห่งผู้ปลดเปื้องตนจากกิเลสเได้เป็นอย่างนี้เองช่างประสบกับภาวะสงบเย็นอย่างเต็มที่เสนิกรายสงบเหมือนน้าในแอ่งน้อยซึ่งอยู่ในป่าลึก สดใสมันหยาดน้ําค้างมารุ่งอรุณอบอุ่นประดุดแสงแดดเมื่อยามเชา้าอะไรเล่าจะน่าปรารถนาของชีวิตยิ่งไปกว่านี้นี่เองที่พระศาสด า, าตรัสอยู่เสมอว่าพระนิพพานซึ่งสงบเย็นอย่างยิ่งการสำรอบตัณหาโดยไม่เหลือเชือ้อการสละและการบอกคืนตัณหาการพ้นไปอย่างปราศจากอะไรในตัณหา เป็นความสุขชื่นบานเกินเปรียบแท้บุคคลผู้ได้บรรลุแล้วซึ่งทำอันสุดประเสริฐคือพระนิพพานีย่อมเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งต่อความเย็นร้อนหิวกระหายและสัมผัสร้ายอันเกิดจากเดือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอดกลั้นได้อย่างสงบต่อถ้อยคำร่วงเกิน ถ้อยคำเสียสีคําด่าว่าของผู้อื่นเป็นผู้อดทนอย่างยิ่งต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากอาพาธประเภทต่างๆอันเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าทําให้หมดความสําราญยากที่บุคคลทั่วไปจะทนได้เป็นผู้อดทนอย่างยิ่งต่ออารมณ์อันมายุ่ยยวนเป็นผู้กําจัดราคะโทสะและโมหะได้อย่างเด็ดขาดมีกิเลสอันย่อมใจดุดน้ําฝาดอันตนสํารอบออกเสียได้แล้ว เป็นผู้ควรรับของขวัญควรได้รับการต้อนรับควรแก่ของทิทยกผู้มีศรัทธาจะทำบุญควรเคารพกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจุดมุ่งหมายอันใดเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดสำหรับผู้บวชบัดนี้พระพุทธอนุชาได้บรรลุแล้วซึ่งจุดมุ่งหมายอันนั้นคืนนั้นท่านเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอดลาตรี ในที่สุดวันมหาสังญยาก็ามาถึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาพิกษุลวนจะเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยอภิญญาและสมาบัติ500รรูปประชุมเป็นมหาสนิบาตนหน้าถ้ำสัตบัญชิงภูเขาวเวพาระทงแผ่นผ้าสีกาสายะคือเหลืองมนสะบัดโบกพลิ้วตามแรงลมดูงามรุ่งเรืองจริงนัก เสียงเพรียสลับเสียงะระฆังดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าสง์ทั้งมวลพร้อมแล้วก่อนจะเริ่มมหาสังคยนาพระมหากรสปะประธานสง์ได้ตั้งปัญหาถามพระอ น, นุ์พุทธอนุชาในนามของสง์ว่าอานน์เมื่อสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นถ้าเคยเย็บหรือปากหรือชุนผ้าสำหรับพระพุทธองค์ทรงใช้สงไม่ใช่หรือข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าเคยกระทำอย่างนั้นพระอนน์รับในขณะที่เย็บหรือปะหรือชุนเธอใช้เท้าหนีผ้าของพระตถาคตใช่ไหมพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทำอย่างนั้นดูกระเอาโสโ อ, อนันน์พระมหากัสริยกล่าวในนามของสงฆ์สงฆ์เห็นว่าเธอกระทำไม่ควรเธอไม่ควรใช้เท้าหนีผ้าของพระธถาคตข้อนี้เป็นอ ბ ัตทุกฏแก่เธอเธอจงแสดงอ ბ ัตเสีย ก่อนมีการประชุมสังคยานาลบดืมตามก็ได้ครับพระมหากรส ป, ปะที่เป็นพระเทระผู้ใหญ่ก็ตั้งคำถามถามพระนุนเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของการเย็บชุนผ้าจีวรของพระศาสดาว่าคือเราก็คงนึกภาพออกใช่ไหมครับพระนุนต้องเย็บองค์เดียวท่านก็เอาเท้าเนี่ยหนีบ ผ้าของพระเจ้าแล้วก็ดึงแล้วก็เย็บพระมหาการสป่าบอกเป็นเรื่องที่ไม่สมควรมากๆเลยพระ อ, อ น, นุ์พุทธะอนุชาลุกขึ้นนั่งคุกเขา่าพระนมมือกล่าวว่าข้าแต่สงผู้เจริญข้าพเจ้าทำอย่างนั้นด้วยความจำเป็นการใช้เท้าหนีผ้าแห่งพระตถาคตและเย็บนั้นจะเป็นเพราะความไม่เคารพก็หามิได้แต่เมื่อไม่ทาอย่างนั้นจะเย็บได้อย่างไร ในเมื่อข้าพเจ้าทําเพียงผู้เดียวเท่านั้นท่านทั้งหลายข้าพเจ้ายามเกลรงในสงฆ์เมื่อสงฆ์เห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าก็ขอแสดงอาบัติทุกกฎในพระเรื่องนี้ปกติพระอราหันเนี่ยไม่ต้องแสดงอาบัตินะครับเพราะว่าไม่มีกิเลสที่จะชักนําไปให้ทําผิดอีกแล้วแต่นี้พระมหากัรสปะจี้ลงไปเนี่ยแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นท่านเป็นพระโสดาบัน แต่วันนี้ท่านบรรลุธรรมไปแล้วนะแต่ท่านใช้คำหนึ่งคือด้วยความยำเกรงในสงเพราะว่าอนาคตต่อไปเนี่ยสงจะต้องปกครองกันถ้าคณะสงฆ์ว่ายังไงต่อให้ไม่ผิดต้องรับโทษไม่เช่งนั้นพุทธศาสนาจะยืนต่อไม่ได้ถ้ามีการอุทธรณ์ดีกาเนี่ยถ้าคณะสงฆ์ว่าผิดคือผิดเลยอานนท์ยังมีอยู่อีกหลายข้อ ข้อหนึ่งคือเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงแสดงนิมิตโอภาสคือว่าให้ในายากแก่เธอถึงส6หครั้งเพื่อให้ทูลให้พระองค์ทรงพระชนอยู่ต่อไปแต่เธอไม่ได้ทูลไว้สงเห็นว่าเธอกระทำไม่สมควรเป็นความผิดพลาดของเธอเธอต้องแสดงอาบัตในเรื่องนี้ท่านผู้เจริญทั้งหลายเหตุที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทูลอารัธนาพระาศาสดาให้ทรงพระชนต่อไปนั้นเป็นพระเวลานั้น ข้าพเจ้ากําลังระทมทุกข์และกังวลเรื่องอภารของพระศ า, าสดาไม่ได้เฉลียวใจในเรื่องนั้นเมื่อสงเห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าขอแสดงอาบัตทุกกฎในเรื่องนี้อานน์ยังมีอีกคือเธอเป็นผู้ที่กวนขวายให้สตรีมาบวชในศาสนาเธอพยายามอ้อนวอนกลุมขี่พระศ า, าสดาทาั้งทั้งที่พระองค์ทรงห้ามต่างหลายครั้งว่าอย่าพอใจขวนขวายให้ภิษุณีมาบวชในธรรมวินัยนี้เลย เธอก็ไม่ฟังพยายามขวนขวายให้พิษุนีมาบวชจนได้ก่อความยุ่งยากในภายหลังมิใช่น้อยข้อนี้เป็นความผิดของเธอท่านผู้เจริญทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะข้าพเจ้าทนดูสภาพของพระมหาปชาบดีโคตมีพระน้านางแห่งพระทศพลเจ้าไม่ได้พระนางได้ปรงพระเกษามาแล้วมีร่างกายขมุกขมอมบอบชำ้ำทรงพิราบรำพันอย่างเหลือล้น ปรารถนาจะบวช ด, ด้วยศรัทธาแหลกกล้าและเห็นว่าพระนางทรงมีอุปการะต่อพระาศาสดามากล้นข้าพเจ้าจึงขวนขวายให้พระนางได้บวชและเมื่อพระนางได้เป็นภิกษุณีแล้วพระนางก็สามารถขจัด ก, กิเลสมลุกอลหัตได้เมื่อสงเห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าก็ขอยอมและขอแสดงอาบัติทุกกฎในเรื่องนี้อนุนยังมีอีก คือเมื่อพระศาสดาบรนทรมนเปียงที่พริณิพานพระองค์ทรงเปิดโอกาสทรงอนุญาตไว้ว่าเมื่อพระองค์นิพานแล้วสิกขาบทเล็กๆ น, น้อยเมื่อสงพร้อมใจกันจะถอนเสียบ้างก็ได้เธอได้ทูลถามหรือไม่ว่าสิกขาบทเล็กน้อยนั้นพระองค์ทรงหมายถึงสิกขาบทอะไรข้าพระเจ้าไม่ได้ทูลถามเลยท่านผู้เจริญนี่ก็เป็นความผิดของเธอท่านผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ได้ทูลถามถึงสิกขาบทเล็กน้อยนั้นเป็นเพราะข้าพเจ้าคลุมใจกังวลใจในเรื่องพระศ า, ศาสดาจะนิพพานจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อสงเห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าก็ขอแสดงอบัตอานนท์ยังมีอีกคือในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนั้นเธอได้จัดแทรศตรีเข้าไปถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อน สตรีเหล่านั้นร้องไห้น้ำตาเปื่อนพระพุทธสตรีระข้อนี้ก็เป็นความผิดของเธอท่านผู้เจริญทั้งหลายการที่ข้าพเจ้าจัดให้สตรีเข้าไปถวายบังคมพระพุทธสตรีระ ก, ก่อนนั้นเป็นเพราะคิดว่าธรรมดาสตรีไม่ควรอยู่นอกบ้านจนเมืดคำ่ำข้าพเจ้าจัดให้ถวายบังคมพระพุทธสตรีระ ก, ก่อนเพื่อเธอจะได้กลับบ้านก่อนตะวันตกดิน และได้ไปหุงหาอาหารเพื่อสามีหรือมารดาบิดาข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกรงในสงค์เมื่อสง์เห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าก็ขอแสดงอาบัติ ที่พระนนท์ต้องปรงอบัติครับในขณะที่เป็นพระอรหันต์ด้วยความยำเกรงในทรงสองข้อโดนก็เพราะผู้หญิงท่านคิดถึงผู้หญิงมากตั้งแต่พระนางประชาบดีไปบวชเดินเท้าเปล่าโกนศีรษะออกจากวังแล้วก็ตอนนั้นก็อายุมากแล้วไปขอบวชผู้เจ้าไม่ให้บวช ขอเท่าไหร่ก็ไม่ให้บวชเธอร้องไห้ปิ่มจะขาดใจไม่ให้บวชยังไงก็ไม่ให้บวชคือท่านเห็นก็ต้องยอมรับผู้หญิงทำใจกว้างๆหน่อยนะครับถ้าผมจะพูดอะไรความจริงให้ฟังทำใจกว้างๆเพราะว่าหากศาสนาพุทธมีผู้หญิงเข้ามาบวชศาสนาพุทธจะมีอายุ อยู่อีกไม่เกิน5้ารอปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานวันนี้ไม่ได้ฟังอรอยิยมรรคแน่นอนเพราะฉะนั้นพระนนการที่ไปทูลขอพระพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้หญิงเข้ามาบวชจึงครูบาอาจารย์ที่เห็นอนาคตหมดแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าศาสนาจะสั้นลงอย่างมากๆเลยจะสามารถช่วยคนได้เหลือดอิดเดียวหลังจากพระองค์ปรินิพานไปแล้ว เพราะนิจัยผู้หญิงจะจุกจิกจูจ้จี้แล้วก็อยู่ด้วยอยูย่โดยสารีละแล้วเนี่ยการอยู่ด้วยตัวเองค่อนข้างลาบากแล้วก็จะมีปัญหากันยนยิโมสงภิกษุณีจะต้องมีสงคอยปกครองอยู่เรื่อยเพราะว่าโดยธรรมชาติก็แล้วกันอย่าไปดูเป็นตัวคนแล้วอย่าดึงมาเป็นตัวเรานะครับโดยธรรมชาติเรามองไปกว้างเพราะฉะนั้นพอศาสนาสั้นลงเนี่ย ทุกคนมองในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์โลกไม่ได้มองในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าลงมาเจาะเรื่องผู้หญิงปับ๊บมันก็จะกลายเป็นประเด็นแต่มองในเรื่องของสัตว์โลกวันนี้ไม่มีเหลือแน่นอนทีนี้ผู้เจ้าพอยอมพระอ น, นุณเนี่ยจึงต้องสร้างกฎเหล็กเพื่อให้การบวชภิกษุณีเป็นไปด้วยความยากลําบากมากกฎเหล็กเพื่อในการบวชภิกษุณีจึงลําบากพูดกันไปแล้วในวันนี้ไม่มีวันบวชภิกษุณีได้อีกเลย การบวชจึงเป็นการที่สงมหาเทระเนี่ยไม่ยอมรับเพราะว่าไม่เป็นไปตามธรรมวินัยอีกต่อไปวันนี้บวชไม่ได้ละถ้าจะเอากันตรงไปตรงมาเลยแต่ถ้าจะเลี่ยงบาลีก็บวชได้นะครับก็นีเมื่อคนมีจิตปรารถนาที่จะบวช้าไมจะบวชไม่ได้ก็ใช้พิธีกรรมแบบที่ปรับปรุงเอาก็บวชได้ที่คือเหตุผลแต่ว่าพระนรนคงไม่ได้ไปมองเรื่องนั้นมองไปที่หนตัว พนางประชาระดีเลยนี่คือเป็นเหตุให้พอรับภิกษุณีเข้ามาเนี่ยช่วงหลังๆก็ปั่นป่วนมากนะครับจนกระทั่งภิกษุณีเนี่ยหมดไปตั้งแต่ช่วงพระเจ้าปเจ้าปรินิพานไปไม่นานก็เสื่อมสลายไปเพราะว่าท่านก็กะว่าถ้าไม่มีใครดูแลจริงๆเนี่ยมันจะต้องเสื่อมสลายไป เพราะในช่วงแรกคนที่เข้ามาบวชจะมีจิตใจแกล้วกล้าที่จะมุ่งอรหัตผลแต่หลังจากนั้นก็เหมือนพระนะหลังจากนั้นการบวชเริ่มจางลงจางลงเป็นการบวชแบบไม่ได้มุ่งหวังมากนะักแล้วก็รื่มก็เกิดขึ้นมานี่คือเหตุผลนะครับนี่คือเหตุผลแต่พูดเยอะไม่ได้หรอกเพราะว่า ผู้หญิงตอนนี้มีบทบาทต่อพระศาสนาแล้วการปฏิบัติธรรมสูงมากนี่จึงเป็นอีกยุคหนึ่งที่ทุกคนคาดการว่าสิ่งนั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมไม่ต้องทำอะไรผมเดินเข้าคอร์สมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผู้ชายมีไม่เคยถึง 20% อร์เซนอยู่แล้วในทุกคอร์สปฏิบัติตลอดห้าหกปีที่ผมผ่านมาเนี่ยผมรู้เลยว่าในผู้หญิงจานวนมากขนาดนี้ที่ฟังธรรมไปมากขนาดนี้ เดี๋ยวต้องมีผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วก็ต้องเดินทางออกในคนที่มากขนาดนี้เนี่ยการสุ่มตัวอย่างเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวเขาต้องแสวงหามรรคผลแน่ๆต้องมีคนที่ผุดออกมาเป็นดอกบัวจนได้แล้วจะไปทางไหนเพราะว่าไม่มีใครนักปัญญาชนทุกวันนี้ผู้หญิงที่เก่งทํางานเนี่ยเท่ากับผู้ชายอยู่แล้วอย่าพูดถึงเรื่องแม่ชีแล้วไปทํากับข้าวในวัดเลยไม่มีทาง เพราะทุกวันนี้ก็สีพีเฟชมาดกันอยู่แล้วไอ้เรื่องจะไปหั่นผักอยู่ในครัวแล้วก็มาทําเลี้ยงคนในวัด อ, อย่าหวังเลยเพราะทุกคนที่วันนี้เข้ามาปฏิบตัติมุ่งหวังไปที่มรรคผลไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะไปอยู่วัดเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าจะต้องมีสำนักหรือสถานที่ที่รองรับคนพวกนี้จำนวนมากเลยแล้วในช่วงแรกเนี่ยจะมีภิกษุณีหรือว่าผู้ที่ออกปฏิบตัติออกบวชเนี่ยเข้าถึงธรรมชั้นสูงสุดแน่แน อีกไม่นานเพราะว่าความที่เพาะบ่มขึ้นมาถึงนี้พระเจ้าถึงได้ตรัสไว้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามยังมีการเจริญอริยามรรคมีองค์แปดเมื่อนั้นโลกจะไม่ว่างเว้นจากสมณะที่หนึ่งสองสามสี่แน่แน่ก็นี้ทุกคนกําลังเจริญตามมากกันหมดทุกคนที่ผมเดินทางผ่านมากําลังเจริญมากกันหมดแล้วจะไปไหนล่ะถ้าปลายทางไม่วิ่งเข้าไปที่ตรงนั้นแล้วถึงวันนั้นจะอยู่ที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นอีกไม่นานสำนักเหล่านี้ต้องออกมารองรับผู้คนจํานวนมาก แต่ช่วงแรกจะมีความแก้วกล้าอาหฐานเพื่อมรักผลนิพพานแต่จากนั้นไม่นานภิกษุณีจะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วเพราะจะเริ่มมีคนที่ไม่เอาจริงเข้าไปด้วยอีกไม่นานแล้วก็จะพากันล้มลงไปหมดแต่พระเนี่ยด้วยความที่นิสัยของผู้ชายเป็นแบบหนึ่งจึงยืนต่อมาเรื่อยๆใครจะดีใครจะไม่ดีเดี๋ยวก็จะมีผลขึ้นมาหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อจะมีผลขึ้นมาในระหว่างทางเพราะฉะนั้น ศา ส, สนาไม่ล้มแต่สืบทอดไปเรื่อยๆสืบทอดไปเรื่อยๆพระสวดมนต์ท่องบนก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวยเด๋ยก็จะมีปุ๊บปุ๊บโผล่ขึ้นมาปุ๊บเป็นระยะระยะนะครับจะถึงห้าพันปีหรืออะไรนะ่ะเราไม่ทราบละเราละนะครับก็เปิดให้ฟังหลังสัมมา